หากตั้งสติสำรวมใจให้ดีเวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อฝึกขนอบรมจิตโดยตรงไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นใดเพราะจิตนี้เป็นของฝึกได้ยากแต่เมื่อฝึกได้แล้วมันก็มีความสุขมาก ความสุขมันเกิดจากอย่างอื่นนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขแท้แท้จริงหมายเอาความสุขที่เกิดจากการทําจิตให้สงบการทําจิตให้สงบได้ชื่อว่าเป็นกิจจําเป็นที่ ผู้ต้องการความสุขที่แท้จริงจะต้องกระทำบำเพ็ญความสุขชั่วคราวนั้นเราได้รับมาแล้วนับชาติไม่ทวนแต่โลกนี้มันมีสุขกับทุกเป็นคู่กันเมื่อละเสียซึ่งความสุข ความทุกข์มันก็เกิดมาแทนดังนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายก็จึงทำความสุขให้แก่ตนไว้เสมอไปไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะเปิดช่องโวให้ความทุกข์เกิดขึ้นทำยังไงจิตใจจะเป็นสุขสบายก็ต้องทำไป เพราะคนดังคนก็มีจิตดวงเดียวทอนี้เป็นแก่นจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็อยู่ที่จิตดวงนี้พอจิตดวงนี้มันเป็นธรรมชาติรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งร้อนทั้งหนาวอะไรมันรับรู้หมด ตรงไหนปวดตรงไหนก็จิตดวงนี้รับรู้ดังนั้นเมื่อไม่ฝึกจิตนี้ให้หนักแน่นไม่มีปัญญารู้เท่าสังขารทั้งหลายมันถึงเป็นทุกข์มากคนเรานะ่ะเพราะว่าจิตตวงนี้มันมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงคือร่างกายอันนี้ มันย่อมแปรปวนกระทบกระทั่งกับจิตนี้อยู่เสมอดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นฝึ ก, กจิตใจให้มันหนักแน่นไว้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อสอนจิตนี้ให้รู้เท่าทุกตามเรื่จริง เพราะว่าเมื่อขันห้านี่ยังมีอยู่ตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นทําไมมันจึงเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันก็ไม่เป็นทุกข์ทำไมมันจึงเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันถึงได้เป็นทุกข์ พอความหวังของจิตนี้ได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ต้องการอยากให้มีอายุยืนยาวนานไปไม่อยากให้แตกตายทำลายขันไปก่อนความมุ่งหมายของดวงจิตมีอย่างนี้แต่แล้วมันไม่สมหวังผลสุดท้ายมา เมื่อมนเหตุบนดปัจจัยแล้วรูปร่างกายนี้มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกต้องทำลายไปเมื่ออบรมปัญญารู้เท่าเหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงอย่างนี้มันก็สิ้นสงสัยสิ้นสงสัยอะไรสิ้นสงสัยว่าธาตุสี่ขันหานี่ เป็นของตัวของตนจริงจังอะไรนี่นะไม่มันาสายสงสัยเนี่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ของตนที่จะมายึดถือเอาคืนยึดถือไว้ก็เป็นทุกข์เปล่าเปล่าก็เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปละเลยความจริงเหล่านี้ไปเสียมันก็ เป็นทุกข์ไปเรื่อยไปอย่างนั้นแหละเมื่อไม่รู้เท่าสังขารแล้วก็มีแต่ทุกข์นั่นแหละบุคคลจะมีความสุขอันเป็นแก่นสารได้ต้องมารู้เท่าทุกข์อันเกิดจากสังขารไม่เที่ยงมายังยืนนิสกอนถ้าไม่รู้เท่าทุกข์นี่ตามเป็นจริงแล้ว จะไม่ได้พบความสุขอันเป็นแก่นสารพราความสุขอันเป็นแก่นสารนี่ท่านเดียวว่าสุขยั่งยืนสุขไม่เปลี่ยนแปลงไอ้ที่มัน ไ, ไม่ได้พบความสุขอย่างว่านั้นเพราะมันติดอยู่ในทุกข์มันไม่รู้เท่าทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาจิตกวนไว้ไปตามกวนกวาย ดินรนกระเสือกกระสนไปมาเพราะฉะนั้นมันจึงสงบลงไม่ได้ทุกขังแปลว่าทนได้ยากทนลำบากก็ขันห้านี้มันทนอยู่ได้ยากแสนยากลองพิจารณาดูให้พิสดารอกไปสักหน่อย พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพาราหะเวปัญจักทันทาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระอันหนักพาราหะโรจปุกโรแต่บุคคลก็ยังยึดถือภาระไว้พาราดานังลุขั้งโลเกการยึดถือภาระไว้เป็นทุกข์ในโลก ภารานิคเคปนันสุขขัางการปล่อยวางภาระเสียได้เป็นสุขพระพุทธเจ้าตรัสไว้ยอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาให้เห็นว่าขันห้านี้เป็นภาระอันหนักจริงๆเพราะว่ามันไม่เที่ยงไม่ยังยืนต้อง อดต้องทนต้องอดกัน้นต่อความไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นแหละแล้ถึงไม่เที่ยงมันก็ต้องได้บำรุงมันตั้งแต่อ่อนแต่ออกนุน่นแสนยากแส้ลำบากนอนอยู่ในคันของมารดาถึงแปดเก้าเดือนไม่มีอิสระแก่ตัวเลย นอนอยู่ในท้อง็กที่คับแคบเมื่อเวลาจะคลอดก็แสนลำบากลำบนลำบากทางผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทางตัวเองด้วยเมื่อคลอดออกมาแล้วก็เป็นภาระอันหนักต่อพ่อแม่เลี้ยงดูแสนยากแสนลำบาก กว่าจะเจริญไว้ใหญ่โตมาได้พ่อแม่ต้องแบกภาระอันหนักนี้คือเลี้ยงลูก <c oughs> พ่อแม่นั่นประกอบไปด้วยพรมวิหารสี่คือเมตตาปรารถนาให้ลูกของตนเป็นสุขกรุณาสงสารลูกยังเล็กยังน้อยช่วยตัวเองยังไม่ได้จำเป็นต้อง ประครบประงมดูแลหอบผิวไปทางไหนก็ดีต้องดูแลอยู่อย่างนั้นตลอดถึงถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะก็ช่วยตัวเองไม่ได้เลยต้องเป็นภาระของมารดาที่จะต้องทำละาล้างสักกอก เจริญไรใหญ่โตมาแล้วก็ยังไม่แล้วพ่อแม่ต้องส่งเข้าศึกษาโรงเรียนวิชาความรู้ต่างๆพ่อแม่ต้องหาเงินหาทองส่งเสียลูกให้ได้ศึกษาโรงเรียนขั้นสูงขึ้นไปโดยลําดับเนินโนคิดดูฮตั้งแต่พ่อแม่เลี้ยงใหญ่มาแล้วพ่อแม่ก็ยังไม่ได้หยุด ต้องหาเงินเพื่อช่วยเหลือลูกพ่ <c oughs> ลูกก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้เมื่อเรียนความรู้จบลงไปแล้วอา้าวไม่มีงานทำก็ลำบากต้องเล่ cott, พพยล่อนผนิจจ์หางานต่างๆบางคนก็เลยไม่ได้งานซ้ำเลยเพราะเป็นมั ว, วจะเลือกงาน งานพอดีพอรารไม่ต้องการทำไม่สมกับความรู้ของตนต้องปาถนาอยากทำงานอันสะอาดสะอ้านอยู่ในร่มเงาไม่ต้องทำฝนทนแดดอะไรมีงรเงินเกษียณยากแทรบากกวจะได้งานทำเมื่อทำงานมาแล้วหากว่า มันได้ผลน้อยมันก็เลยพอใช้พอจ่ายก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นภาระอันหนักต่อมารดาบิดาต้องช่วยเหลือไปจนได้แต่งงมงแต่งงานไปก็ช่วยเหลือกันอยู่วันนั้นแต่ฝรั่งเขาไม่ช่วยแล้วตัวใครตัวมันเขาเอ็นดูสงสารแต่เวลายังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่เท่านั้น พอเรียงใหญ่โตขึ้นมาอายุสิบแปดีแล้วต้องไล่ให้ไปหาเงินหาทองหาอยู่หากินโดยลำพังตนเองถ้าจะอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ต้องเรียกเก็บภาษีต้องเก็บค่าเช่าบ้านค่าอาหารการกินค่าน้ำค่าไฟมูนี่ ลูกๆมันก็นแตกกันไปหางานทำได้อยู่ที่ใกล้แม่บ้างไกลบ้างบางทีพ่อแม่เจ็บป่วยลงลูกก็ไม่รู้เลยพ่อหรือแม่ตายลงอย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้ต้องขึ้นเอิดเหมือนส่งกินเอามาข้างนอกคน ในสูรกินแล้วจึงค่อยไปพังประตูเข้าไปดูจะตายเน่าเพะหมดแล้วนี่ความเป็นอยู่ของคนแต่ละชาติไม่เหมือนกันสำหรับชาวไ ท, ไทยนี่ผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่พระพุทธศาสนาสอนให้คนเรารู้จักคุณของคน เพราะว่าคุณนั้นมีจริงๆอย่างที่พันนามานั่นมานดาวิดาเลี้ยงลูกแสนยากแสนลำบากลูกเมื่อใหญ่โตขึ้นมาแล้วต้องนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงตนมาถ้าพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้แก่ท่านเวลาท่านยังอยู่ก็รับภาระ เลี้ยงดูตอบบุญแทนคุณค่าเขาพอนแลน้ำนมอันนี้เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธพระพุทธเจ้าทรงให้เคารพนับถือบุญถือคุณเป็นที่ตั้งดังนั้นคนไทยเราเมื่อพ่อแม่เท่าแก่ชรามาแล้วก็จึงยิ่งเคารพนับถือยิ่ง เอนดูต้องดูแลรักษาประกอบประงมไม่ให้อดไม่ให้ยากอย่างนี้เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธที่จะต้องดูแลมารดาบิดาหมดเท่าไรก็ไม่ว่ายังเท่าไรก็ไม่ว่าเงินทองามารดาบิดาเจ็บป่วยลงก็ต้องวิ่งเต้นหาหมอ นี่ฉันก็เอาไปลงพยาบาลอันพวกเป็นลกเนะ่ะพอพ่ อ, พอแม่ที่เลี้ยงลูกไว้ก็หวังพึ่งในเวลาเท่าแก่ชราหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยร้องนี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มนุษย์เรานะรั้นรู้จักบุญรู้จักคุณขล้องกันแลกัน แล้วรู้จักตอบบุญแทนคุณของกันและกันอย่างนี้สำหรับนอกจากมารดาบิดาแล้วก็ยังเป็นนูนี่บุญนี่คุณครูอาจารย์ผู้สั่งสอนวิชาความรู้ต่างๆในทางโลกให้และอาจารย์ผู้สอนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ มูนี้ร่วนแต่มีพระคุณอย่างสูงท้งนั้นแหละสูงที่สุดแล้วก็ได้แก่พระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมมาส่์อันนี้นับว่าสูงกว่าสิ่งใดทั้งหมดเราก็ยกไปที่สูงเพราะฉะนั้นแน่ การเคารพนับถือพระคุณทั้งสามดังกล่าวมานี้เราจะนับถือแบบเพียงแค่กราบไหว้สักการะ บ, บูชาด้วยดอกไม้ถูกเทียนเท่านั้นไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสออกจากกิจใจได้ต่อเมื่อได้ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ให้เต็มความสามารถ อย่าบิดเบือนคำสอนของพระ อ, องค์ให้เป็นอย่างอื่นไปเพราะคำสอนทุกบาทครับพระคาถาสอนให้คนเราลงมือปฏิบัติตามไม่ใช่ว่าสอนให้เรียนจำเอาไว้โกโก้เฉยๆอันนั้นประโยชน์ได้น้อยเต็มทีถ้าเรียนจำไว้ได้เฉย แล้วไม่ลงมือปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้ตรงไปตามคำสอนที่ตนสมทานมั่นมานั้นเช่นนี้มันก็ไม่เป็นทางค้นทุกข์ไม่เป็นทางหลุดพน้นจากกิเลสตัณหาได้ต่อเมื่อเราได้มาประพฤติปฏิบัติให้ถูกทาง ตั้งจิตให้มันถูกต้องเพ่งเข้าในการทำสมาธิภาวนาอย่าไปเพ่งออกนอกแล้วกาหนดอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกนั่นเป็นเครื่องน้อมสติเข้าไปตามทางลมหายใจเข้าออกนั้น ไปควบคุมมันจิตอยู่ภายในนั้นให้ตั้งมั่นอยู่อย่าให้มันดินลนกดแก่งไปทางอื่นนี่เรียกว่าเป็นการทำสมาธิโดยถูกทางถูกต้องแต่สอนกันทุกวันนี้ไม่ไม่ถูกไม่ตรงกันก็มีเยอะแยะ เชียนบางลายก็สอนว่าถ้าอยากไปดูนรกให้นั่งสมาธิแล้วก้มหน้าลงไปสู่พื้นดินเพ่งลงไปเดียวก็มอนรกก็จะปรากฏให้เห็นถ้าอยากไปดูสวรรค์นั่งภาวนาให้เงยห น, น้าขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วเพ่งดูไปมาแล้วมันกเห็น เคยถามคนที่ป <WHAT> ฏิบัติอย่างเนี้ยเราเห็นไหมลราสวรรค์นะเห็นสวรรค์เป็นอย่างไรอ่ะสวรรค์นั่นเหมือนกับพวยนุ่นลอยไปมาอยู่บนอากาศว่ากั้นแท้ที่จริงแล้วก็ก้อนเมฆกันแหละมันไหลไปไหลมานรกอะเห็นไหมเห็นเป็นยังไงนรกอะเป็นเหมือนกับบ่อน้ํา มองไปจะเห็นผมคนลอยฟองอยู่ในน้ำเห็นสีสะคนเั่นเขานารกของเขาอะ่ะเห็นเป็นอย่างนั้นไปแท้ที่จริงแล้วพระศาสดาไม่ทรงสอนในภาวนาดูนรกดูสวรรค์พระองค์สอนในภาวนาเพื่อ ละ ง, งับกิเลสตัญหาอันมีอยู่ภายในจิตใจนี่ให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจุดมุ่งหมายของพระพุท ธ, ธเจ้า <c oughs> ดังนั้นน่ะเราชาวพุทธอย่าไปลหลงไหลในความคิดความเห็นของบุคคลบางคนบางพวกที่บิดเบือนคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าไป ไม่ดำเนินตามร่องรอยที่พระศาสดาทรงบาเพ็ญมาพระศาสดาทรงบาเพ็ญมาพระองค์เจ้าจึงตรัสไว้ในพระธรรมคุณบระโปอปานะยิโกนี่ให้น้อมพระธรรมคำสอนของพระองค์เข้ามาภายในกายภายในจิตนี้ มาเพ่งดูกายดูจิตนี้ความหมายของพระพุทธเจ้าไปอย่างนั้นทำไมมาเพ่งดูก็เมื่อยังไม่รู้เท่านี้ยังยึดยังถือว่าเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นของตนอยู่ใครมาด่าว่าเสียสีก็ไม่พอใจหงุดหงิดฟุ้งซ่านขึ้นมาเลยคิดจะตอบแต่คิดที่จะตอบแทน โูมาว่าตนนั้นอันนี้ได้ชื่อว่า <c oughs> บุคคลไม่ฝึกผลอารมณ์จิตให้ตั้งมั่นให้สงบมันก็ตกเป็นทา่าของกิเลสตัณหายอย่างว่านั่นนะมันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อเราได้ฝึกให้มันสงบแต่มันหนักแน่นลงไป ได้อย่างนี้เรื่องดีเรื่องชั่วอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยวันไหว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดำเนินภาวนาให้มันถูกทางกิเลสมันก็จิตนี้เป็นผู้สร้างขึ้นแล้วมักหมมอยู่ที่จิตนี้ความทุกข์ทั้งหลายก็จิตเป็นผู้รับรู้ เมื่อเป็นเช่นนี้นะเราไม่ภ า, าวนาไม่เพ่งดูจิตนี้ฉะไหนจะรู้กิเลสได้จะรู้บาปทมกรรมมันชั่วต่างๆจะรู้บุญรู้คุณได้ไม่มีคนที่ไม่รู้จากบุญไม่รู้จากคุณตลอดถึงอริยสัจธรรมคือธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้น ก็เพราะเหตุว่าไม่ฝึกฝนจิตนี้เองปล่อยให้จิตมันเลื่อนลอยไปอยู่ตามกระแสของโลกประจําวันอยู่อย่างนั้นไอ้ที่จะคิดควบคุมจิตไม่ให้หลงไม่ให้เมาไม่ให้ยินดียินร้ายกับของไม่เที่ยงไม่ยังยืนนั้นไม่ฝึกผู้มีปัญญาจึงได้ฝึกคิดใจตัวเอง ให้มันรู้แจ้งในความเป็นไปแห่งนามรูปอันนี้อริยสัจจะทำทั้งสี่มันก็ปรากฏอยู่ในกายในจิตนี้เองเช่นความทุกข์อย่างนี้นะเมื่อว่าท่านๆลงไอยมันก็นกนทุกข์กายกับทุกข์ใจเท่า น, นี้แหละทุกข์กายนั้นกายไม่เที่ยงชำรุดสุดโทม ถูกโรโรคาอาพาธเบียดเบียนหาความสบายไม่ค่อยจะได้บางคนนะผู้ทำกรรมชั่วเสิตัวมาแต่ก่อนแล้วกรรมชั่วนะ้นมันตามมาสนองเอาเป็นเหตุให้ทำความดีไม่ได้ไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาก็ไม่ได้คนมีกรรมมีเวร้องคิดดูมันเป็นอย่างนั้นแหละ การที่ไม่ฝึกผลอารมณ์จิตนี่มันจะไปรู้ได้ยังไงกิเลสมันเกิดขึ้นจากจิตนี่ <c oughs> จิตถึงได้เป็นทุกข์กับกิเลสน้ะมันเผาล้นเอา <c oughs> ทุกทางกายก็ทุกแก่ทุกเก็บทุกตายอันนี้เราเห็นกันอยู่ต้งตองอยู่แล้วแต่ทุกใจนี้มันมองดูยาก มันมาจากเหตุอะไรหนอมันถึงได้เป็นทุกข์อย่างนี้ส่วนมากก็ไม่ค่อยรู้กันไม่ค่อยคิดทบทวนเลยเนี่ ย, เ, ยเมื่อเป็นเช่นนี้นะมันจะไปละเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างไรเพราะว่าเหตุแห่งทุกข์มันก็จิตเป็นผู้สร้างขึ้นเช่นความโลภความโกรธความหลงมานะทิธฐิต่างๆพวกนี้ มันก็ร่วนตั้งแต่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำให้สัตว์ทั้งหลายเนิ่นช้าหมดว่ะคือมันนานพ้นทุกข์ก็เกิดมาชาติใดก็มาตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหาอยู่อย่างนั้นกิเลสตัณหามันมันไม่บันดาลให้อยากทำความดีมันบันดาลให้แต่ไปทำความชั่วใส่ตัวเอง ดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ายัางทรงสอนให้ฝึกจิตนี้ให้เข้าถึงความสงบเดเพ่งไปมาเราจะเห็นความทุกข์ในร่างกายสังขารนี่เหลือประมาณทุกข์ทางจิตใจก็ใจไม่ไม่ละกิเลสใจสั่งสมกิเลสบาปธรรมให้หนาแน่นขึ้นมา ใจก็เป็นทุกข์ตอนนั้นเองส่วนร่างกายนั่นก็อย่างว่านั่นเนี่ยแม้จะทำงานทำการหรือไม่ทำก็ตามนั่งนั่งนอนๆอ น, น, อนยืเย่เฉยความแก่ความเจ็บความตายมันก็คืบคานเข้ามาเรื่อยเลือยมาเพราะว่ากฎธรรมดามันเป็นอย่างนั้นนะผู้ใดทำกรรมอันใดก็ยอมใดรับผลแห่งกรรมอันนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ เราไม่ควรสงสัยลังเลกำหนดรู้เท่าทุกข์ดังกล่าวมานี้ให้ได้เหตุที่มันจะไม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อไปในสงสารก็เพราะเราทำไม่ให้มันเกิดอีกไม่ต้องมาอาศัยขันห้านี้อีกต่อไป เมื่อขันเก่านี้มันชำรุดทรุดโทรมแตกระลับงไรแล้วถ้าหากว่าตนรงสังขาร น, นามรูปอันนี้ได้จริงๆมันก็บรรลุซึ่งปานิพาน์เท่านั้นเองนะแต่ถ้ายังไม่รู้เท่าเหมือนก็ยังก่อนก็ต้องดำเนินข้อวัดปฏิบัติเรื่อยไป มันถึง ด, ดับทุกทางใจได้ถ้าไม่ลากกิเลสออกจากหัวใจแล้วทุกทางใจก็ไม่ดับเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนที่บ่ายหน้าเข้ามาสู่ววารศาสนามายินดีในการปฏิบัติธรรมก็ให้ตั้งเข็มไว้ ให้มันถูกต้องดังกล่าวมานั่นแหละเราปฏิบัติธรรมไม่หวังลาบหวังยศหวังสารเสริญเ ย, ยอนโยอะไรหวังทำใจให้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาโดยตรงไม่ได้หวังอย่างอื่นทำอย่างไรกิเลสตัณหามันจะน้อยเบาบางออกไปจากดวงกิจนี้ก็ทำลงไปเด้งั้น เมื่อทำใจสงบลงไปแล้วก็รู้จักที่ดับทุกแล้ววะนี่อ๋อดับทุกมันดับตรงนี้เมื่อใจไม่กระวนกระวายใจไม่ยึดถือของไม่เที่ยงต่างในโลกแล้วมันสงบลงอยู่ภายในนี่มันก็ความสุขก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นแล้ว สมหลังคาโบราณท่านว่าไว้จะเป็นสุขก็เพราะเอาทุกข์เป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยะสมจะเป็นพระก็ต้องละกามารมจะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนรมฌานก็เป็นอย่างนี้แหละบุคคลจะทำการงานในโลกนี้ ถ้ากลัวทุกข์อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นงานการงานต่างๆที่มันจะสำเร็จร่รวงไปมันต้องเอาทุกเป็นทุนนะั่นแม้ว่ามันจะยากลำบากในทําม่เหลือวิสัยเราก็ทำมันลงไปเช่นอย่างการปฏิบททัติธรรมนี่ก็คือการ ทำสงครามกับกิเลสนั่นเองแหละพูดง่ายๆเราพยายามประหัดประหารกิเลสอยู่ในใจนี่ออกไปจากกิเลสมันก็มีอิทธิพลมันก็ต่อสู้เอาอย่างนี้เราไม่ถอยเมื่อไม่ถอยแล้วเรานึกถึงบุญถึงคนถึงคุณธรรมต่างๆมาเป็นกำลังใจ ใจมันก็เข้มแข็งแหละเมื่อได้บุญได้คุณได้คุณธรรมอันดีงามเป็นกำลังใจแล้วเช่นสติปังใจให้ละกิเลสตัณหาอันเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์ขอยพากันเข้าใจถ้ากำลังใจอ่อนแอแล้วมันละไม่ได้เลยกิเลสเนี่ย ดน้จนะึงต้องอดต้องทนการทำความดีแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยไปได้เท่าไหร่ก็เอาสิ่งใดที่ควรทำด้วยกายแล้วก็ทำลงไปสิ่งใดที่ควรพูดทางวาจาเราก็พูดไปสิ่งใดที่ควรกระทำอุบายแยบภายในใจก็ทำลง ทำอบายแยบคายสอนใจตัวเองนี่นะให้มันละความยึดความถือต่างๆแท้ที่จริงแล้วพระศาสดาไม่ทรงสอนให้พุทธบริษัทยึดเอาทำคาสอนของพระองค์ไว้ตลอดเวลาพระองค์สอนให้อบรมจิตให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดแล้ว มองดูพิจารณาดูสิ่งต่างๆในโลกนี้เห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็น ต, น, ตอนอะไรเมื่อมันยังไม่รู้แจ้งก็จําเป็นต้องยึดเอาไว้ก่อนยึดไว้เพื่อเพ่งพิจารณาเช่นอย่างทุกอย่างนี่นะ เมื่อมันยังไม่รู้เท่าทุกข์อย่างนี้ก็สูท่ทนอดกัน้นต่อความทุกข์นั่นไป